นี่คือรายการเปิดธรรมทิศตูวิทยภาพออนไลน์เอพิโซดที่92ครับเอพิโซดที่92นี้เราพูดถึงสรุปเรื่องของตาบากคร่ำช้างในวิธีการที่จะแก้ปัญหาในระบบนี้วิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่เราแนะนําก็คือการแผ่เมตตาแล้วก็ยังพูดถึงการแก้ปัญหาให้ถูกจุดในระบบของความเข้าใจเรื่องของอริยสัจสี่อรมาพระไใบูบุ์ก็มาพร้อมกับคุณหมอนัทพงษ์ ครับกรับานส ก, ก, นกนันครับกับผมนัทพงศ์กหนกวิรุลครับในอพิสดารที่๙๒นี้อก็จะพูดถึงเรื่องที่ตอนที่แล้วนิดนึงเพิ่มเติมสั้นๆว่าสรุปตอนที่แล้วว่าเราพูดถึงเรื่องตามบอกคำช้างอ่าใช่ครับแต่ต้องสรุปให้ฟังนี้ว่าคนที่ยังไม่เป็นพระอาหารหันต์เนี่ยก็ยังชื่อว่าบอดอยู่น ะ, ะพระเจ้าเคยพูดถึงพระสูตรนี้ที่บอกว่าอคนที่ มีเหมือนมีสองตาเนี่ยคือตาที่มารู้ด้วยเนี่ยนะก็ชื่อว่าเป็นเข้าข่ายว่าผู้มีสมาธิฏฐิอันนี้คือพูดในลักษณะที่ว่ามีตั้งแต่อริยบุคคลขั้นต้นขึ้นไปอ๋อโสดาบันสกิทาคามีใช่ใต่แต่ว่าโสดาบันก็ตามสกิทาคามีอนาคามีเนี่ยก็ยังมีอวิชชาอยู่ใช่ครับซึ่งลงเลืออยู่ใช่ซึ่งอวิชชาที่ท่านบุคคลเหล่านั้นมีเนี่ย ก็จะมีอายุของมั น, นคือไม่เกิน8ชาติาไม่เกินเจชาติไม่มีชาติที่แปดถูกไหมนั่คือแน่นอนแล้วว่าะจะต้องหายจากความบอดแน่นอนอแต่นะตอนนั้นยังบอดอยู่คือสัตต่างกันแพทย์ก็มีคำหนึ่งเรียก opacity คื อ, อคือตาเนี่ยบางทีมันไม่ได้บอดร้อยเเซมันว่ามบลอเบลอเห็นอยู่เปิดอยู่แต่มมัวอย่างเงี้ยซึ่งความมัวตรงนี้ ก็เพราะอํานาจกองอวิชชาที่มันยังไม่หมดไปแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะตามอรียบบุคคลตามที่ขึ้นสูงขึ้นหไปขึ้นสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์เนะี่ยคือสว่างและไม่บอดละอืหมดหมดอวิชชาละใช่หมดอย่างนั้นจึงเรียกว่าไม่บอดจริงๆตาเปิดจริงๆแต่ทีนี้ถ้าผมว่าเรายังไม่ไม่หมดกี่เลย่ะ ยั ง, ยงมียังยังเป็นตาบอดอยู่แล้วเขาไปทำคลำช้างอยู่เขา้าใจ้มาทํำมาเป็นยังไงยังไงห น, นสมมุติตอนที่เราคลำนี่เราบอกว่ า, ช, าช้างเหมือนพ่อมเราคําท้องช้างนี่เนาะคําท้องช้างช้างเหมือนพ่อมเอ๊ะทำไมคนอื่นทั้งนู้นเขาบอกว่าช้างเหมือนเสาเองอีก<ม>ทางหนึ่งเขาบอกว่าช้างเหมือนผานคนบนช้างบอกเหมือนไม้กวาดับเห้ยทาไมของเราเหมือนพ่อมอย่างเงี้ยเนั่นประเด็นก็คือว่า เวลาที่คุณหนึ่งเขาพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะจะทํายังไงให้เราเห็นเต็มที่นะพระรูชาก็พูดถึงความขัดเคืองนะที่เราจะต้องคลายความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในชิวของเราให้ได้ก่อนครับนะคือคนอื่นเห็นแตกต่างกันนะ่นะเราคือในโลกนี้มันมันแน่นอนว่าเฮ้ย hey, ฉันเห็นในอย่างหนึ่งทําไมเธอเห็นในอย่างหนึ่งคมีความเห็นไม่ตรงมีความเห็นไม่ตรงกันะ เ, นรนนะเรื่องธรรมะก็เหมือนกัน นะคือพระเจ้ายกตัวอย่างเรื่องตาบอดคำช้างเนี่ยเพื่อเป็นอุปมาอุปไมยเฉยแต่จริงๆต้องการสื่อถึงความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของธรรมะคือคุณไม่รู้ธรรมะไม่รู้อัตธรรมะไม่รู้อรรัตไม่รู้อนัตถะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือต้องการสื่อว่าเฮ้ยทำไมบางคนเขาบอกธรรมะเป็นอย่างนี้อเฮ้มัมนเบอร์เพียงชนะมันเหมือนอยู่แต่อัตถะไม่เหมือนกันแฮ่แสดงว่าเราคลาคนละจุดแล้วนะ ถ้าเรายังไม่เป็นบาลานี่นะเราคําคนละจุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงเพื่อให้จิตของเราเนี่ยรู้ได้ทั่วถึงนะพระเจ้าก็ พ, าาพูดถึงว่าไอ้คุณจะต้องคลายความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตงคุณก่อนนะ ค, คือคือพระสูตรที่พูดถึงความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยกําลังเปรียบเทียบถึงว่าถ้าคนนู้นเขาทำความผิดนะแล้วเร า, เาต้องการจะแก้ความผิดของเขาคือเาราเห็นผู้ถึงเขาทำไม่ถูกอย่างเงี้ยหรือมีความเห็นต่างในกรณีเนี้ย แต่ถ้าเรามีความขัดเกืองเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยเราจะไม่สามารถบอกข้อมูลของเราให้เขาได้ออหรือเราจะไม่สามารถนําความรู้ของเขาตรงนั้นเนี่ยเข้ามาในจิตของเราได้อืมเพราะว่าจิตของเรายังมีอวิชชามีอวิคุศสอยู่มันก็ปิดกั้นทุกอย่างละมีอวิคุศสนคือไม่มีสติละหรือคุณอาจจะมีสติในกุศลได้อยู่นะแต่คุณจะต้องละมันจะได้ก่อนทีนี้พอเรามีความขัดเคลื่องเกิดขึ้นในจิตของเราพระเ้าบอกให้ละซะ เนี่ยพ่อใ ห, ให้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าไปสนใจมันให้ละซะแล้วพยายามที่จะอบอกข้อมูลที่ที่ถูก ต, ต้องเนีเพื่อให้เขาเออกจากความผิดหรือพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วช้างเหมือนพ่อมันก็มีนะไม่ใช่เฉพาะช้างที่เหมือนเสารหรือเหมือนไม่กวาดทีนี้ว่าถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาคล้าเห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าเขาจะขัดเคืองมากแล้วก็มีทิฐิมีอะไรมี m a n ะที่จะแก้ไม่ได้เลยเนี่ยนะเรารต้องเปลี่ยนวิธีบอกนั่ น, นีคือขั้นตอนที่สาม น, นะขั้นตอนแรกก่อนนะคือต้อง ค, คลายความ<ะ>ขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเรานะครือละความขัดเคืองตรงนี้นะละความขัดเคืองตรงนี้เพื่อที่จะให้เราสามารถสื่อสารกับเขาได้เพื่อที่จะให้เขาสามารถสื่อสารกับเราได้กลายเป็นการเปิดคว้างนสองทางคือเขาเห็นต่างเราก็ยอมรับได้นะถ้าเรา ยังขัดเคืองอยู่นี่คือจบเลยจะต้องเหมือนสมัยปัจจุบันก็คือทะเลาะกันตีกันป่ากันนะเหมือนพวกที่ตาบาตรคลาช้างพระราชาก็แฮปปี้พอใจคนที่เขาไม่รักเราพวกต่างชาติพวกที่อยากจะเห็นเราชิบหายเนี่ยเขาก็จะดีใจว่าเอ้ยพวกนี้มันแตกกันแล้วแต่ว่ามันมีความขัดเคืองกันแค่เห็นต่างใเพรก็ยังตาบอดอยู่อืเพราะฉะนั้นอันดับแรกอืมคือเราต้องละความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้ซะก่อน ใช่ครับนะอันดับแรกใช่อันดับต่อมาก็บอกนะหรือว่าสื่อสารกันให้เข้าใจนะถ้าพูดกันสื่อสารกันให้เข้าใจแล้วอย่างเช่นว่าเราจะบอกเขาให้เขาคลายความผิดหรือให้เห็นถูกต้องหรือเขาจะมาบอกเราให้ได้เรารับทราบข้อมูลที่เพิ่มเติมทําความเข้าใจให้มากขึ้นวังจริ ง, รงช้างไม่ใช่แค่พร้อมนะช้างต้องเหมือนเสาด้ว ย, ยนะก็คือทําซะแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ได้เขาจะมีความขัดเคือง ก็พยายามเปลี่ยนวิธีบอกอนั่นคือข้อที่สามเปลี่ยนวิธีบอกที่จะทำให้เขาเข้าใจให้ได้อาจจะไม่ใช่บอกเวลานั้นอาจจะบอกเวลาอื่น อ, อาจจะไม่ใช่บอกอย่างนั้นเป๊ะๆอาจจะบอกอย่างอื่นอย่างเงี้ ย, ยเพื่อให้เขาเข้าใจได้ถูกต้องครับนะใช้กลวิธีอื่นๆ อ, นอไม่เอาทางตรงก็ทางอ้อมทางอ้อมไม่เอาด้วยพยัญชนะก็ต้องเอาด้วยอัถะอย่างเงี้ยหรืมออาจจะเป็นกรณีที่ให้ บุ split, คคลที่สามซึ่งปเป็นที่น่าเคารพอย่างเงี้ยเป็นคนช่วยบอกอย่างนี้ถือถือเป็นข้อสามไหมครับก็ได้เหมือนกันถูกต้องถูกต้องอืครับส่วนข้อที่สี่ก็คือว่าถ้าเขาผอกไปแล้วยังไงเขาก็จะขัดเคืองมีทิฏฐิมานะมากอย่างเงี้ยคุณเจ้าคุให้ทำข้อที่สี่ก็คือวางอุเบกขาซะอ๋อเฉยเฉยอย่าไปยุ่งถ้าเขาบอกช้างเหมือนพ่อมเช่าเขาช้างเหมือนสาวแต่เราเหมือนพ่อมเราพูดว่าช้างจะเหมือนพ่อม พูดไปว่าไอคนตาบอดที่เป็นคมเสาอยู่เนี่ยมันก็จะไม่เข้าใจหรอกยังจะมาด่าเราว่าเราแล้วก็มีทิฏฐิมานหน้ามากเนี่ยเราก็นิ่งซะไม่ต้องพูดนะแต่ตัวเราถ้าเราคลายความขัดเคืองได้เนี่ยเอเราจะรู้เพิ่มขึ้นมาทันทีว่าเอาช้างก็เหมือนเสาด้วยนะช้างก็เหมือนพอมด้วยนะครับ เ, เพราะว่าเราคลายความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิงของเราได้ครับนี้เป็นประโยชน์นะเพราะว่าถ้าคุณยังไม่เป็นพระอารหนะันต์เนี่ยยังไงความเข้าใจธรรมะมันยังไม่ทั่วถึงแน่นอน จริงครับท่านยังไงก็ไม่ไม่ไม่ครบถ้วนทั่วถึงจริงครับถึงแม้ถึงแม้เป็นพระแล้วก็ตามเนี่ยความฉลาดในเรื่องมรคเนี่ยก็ยังไม่ทั่วถึงเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ดีอืมใช่ครับแต่พระพุทธเจ้าเป็นสัพพันย์อยู่ครับแต่ในเรื่องของวิมุตติอย่างเงี้ยท่านบริสุทธิ์ละจิตใจของท่านบริสุทธิ์ละแต่การกําหนดบทเรีเนฉันอธิบายอาจจะไม่เป๊ะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าความความสามารถไม่ไม่เท่าพระพุทธเจ้าวะนะ เพราะนั้นบา ง, งทีอาจจะอธิบายธรรมะถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นธรรมดาแต่แต่ความเข้าใจในจริงของท่านเนี่ยถูกแน่นอนละสว่งสางาแล้วมี2ตาละแตพระยาก็เปรบเทียบไว้อย่างนี้เพราะนั้นสขั้นตอนนะคือ1คลายความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจริงของเราสองพยายามสื่อสารพยายามบอกแต่ถ้ากับคนอื่นคนที่ยังตาบอดอยู่ด้วยกันพอเราตาบอดกันหมดถ้ายังไม่เป็นบาลันด์สามถ้าเขายังจะมีความขัดเคืองมากอยู่กับเป็นมิดีบอกซะ เปลียวิธีบอบเปลียวิธีชี้แจงเปลีวิธีสื่อสารเปลีวิธี communicate นะครับถ้ายังไม่ work เขายังมีทิฏีิมากมีวนามากยังไม่ใคลความกัดเคืองได้เราก็อุเบกขาซะนั่นคือข้อที่สี่หวังเฉยเลยแด้ยวยกระบวนการตรงนี้นหมอล้วพงศ์ทำให้เราแก้ปัญหาตรงนี้จริงๆเป็นพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าถ้ามีพิกษุน ส, สองกลุ่มที่แตกกันไม่ไม่ลงรอยกันเนี่ยนะครับรก็ให้พยายามแก้ด้วยกระบวนการนี้ อืมวิธีการนี้ใช้ได้ทั้งทางทำทางในพระสงฆ์หรือทางโลกทางบ้านเรือนคือใช้ได้ในทุกทุกระดับเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอาการดีโกแน่นอนเราเคยพูดเรื่องนี้สมัยตอนที่อบ้านเราไปเรืป็นสีสีเยอะมากเอามาก็นําเสนอเรื่องนี้ในรายการคุณสรรสนีด้วยแต่ว่าเออแก้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นี่เป็นวิธีการที่พุทเจ้า ก็ได้พูดเอาไว้ในในพระสูตอยู่ครับจะ ก, ก่อให้เกิดความสมัรสมานสามัคคีใช่ไหมครับก็คือจะคลายไปนะคือประเด็นก็คือว่าเราก็ไปพูดกับคนที่มีความเห็นก็เรียกพอจะพูดได้คนที่มีความเห็นไม่ไม่แย้งกันนะ้อยที่สุดคนที่พอจะพูดได้ก่อนไนะล่ไปไล่ไปอย่างนี้ อ, อันนั้นคือคือการแตกเป็นพวกอันนี้เราจะพูดถึงว่าเอ๊ะเราจะ คลายความเห็นที่ต่างกันให้มันมาลงรอยกันได้อย่างไรเนื่องเพรา ะ, <ล>ะว่าก็มันก็บ่อยกันทั้งคนทุกค น, น่ถ้ายังไม่เป็นบาลานนะใช่ครับก็ยังมีส่วนที่เป็นอ่<ช>ปัญหาะว่าวิชาการที่คนตาบอดเข้ามาทิ้มแทงกันด้วยหอกคือปากเนี่ยเพราะว่าเขายังมีความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเขาที่เขายังละไม่ได้อืมนี่คือประเด็นแเพราะฉะนั้นเราจะละความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้อย่างไรความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขายกไว้ก่อนเลยเอาตัวของเราเองก่อน ว่าเราจะละความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้อย่างไ ร, รอืมอ่หนึ่งในวิธีที่อ่านมาใช้มากๆเลยแล้วก็ได้ผลอยู่เป็นการส่วนตัวเนี่ยนะครับคือวิธีอะไรครับนั่นคือการแผ่เมตตาการเ<อ>ริยเมตตาครับแล้วคนอื่นก็ไม่รู้ยังไงแต่ว่าเราก็ทำตามที่ชาบอกคือเรื่องของเมตตาเน่ยเพราะว่าการเริรยเมตตาเนี่ยอ่จะทำให้เป็นที่รักของพวกมนุษย์อ๋อมนุษย์ด้วยกันใช่ครับ พอเราเจริญเมตตาแล้วความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันก็จะละไปสมมุติเขาพูดอะไรมาเขาเป็นเหตุแห่งผัสสะนี้ทาให้เรามีความขัดเคืองเราแผ่เมตตาไปเลยอืพอเราแผ่เมตตาไปแล้วเราจะเห็นบุคคลนั้นเนี่ยด้วยจิตที่มีความรักความเมตตาอืมความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของของเราก็จะละไปในเหตุเพราะว่าพอเขามีความเมตตาเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเราแผ่ไปให้เนี่ยเขาได้รับไหมเราก็ไม่รู้แ่ะแต be anto, ่ว่าในสายตาของเราเนี่ย ต่อตัวเขาเนี่ยเราจะมีความรักในในบุคคลนั้นอนะคือ่จะเป็นที่รักของพวกมนุษย์มนุษย์เองนี่คือตัวเราถ้าเราทํานะถ้าเราทําแผ่ไปให้คนอื่นเราก็จะเห็นคนอื่นด้วยกระแสงความรักความเมตตาหมดทั้งสิ้นเลยครับมีอานิสงส์มากเลยใช่ไหมครับการเมตตาภาวนาเนี่ยโอ้โหพระเช้าตอบไปเยอะแยะเลยครันะนอกจากเป็นที่รักของมนุษย์แล้วก็ยังเป็นที่รักของพวกอัมนุษย์ด้วย พวาอมนุษย์ก็จะรักเราพวกมนุษย์ก็จะรักเราแล้วก็เทพิด า, าก็รักษาด้วยเทพีดารักษาเหมือนคาว่าถ้าจะบางทีจะเจออะไรอุบัติภัยหนักๆอย่างเงี้ยอาจจะคล้าวคลาดอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็เป็นอันอีนที่สงหนึ่งก็คือพระาพูดถึงว่าไฟก็ดียาพิษก็ดีสาต์ราก็ดีเนี่ยจะไม่ทามันเป็นที่อันตรายกับบุคคล น, นั้นได้ คนะือไม่อันตรายได้ก็คือการคลายาปลอดไปแก้ไขไปได้ใช่เนอะแล้วก็นอกจากอนอกจากว่าพอเราแผ่เมตตาไปแล้วเนี่ยนะครับ<แ> เ, เวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยจริงๆริงถ้าพระพุทธเจ้าใช้คําว่าให้ทําจิตให้เป็นแบบเหมือนมารดาที่รักบุตรที่เกิดขึ้นกับตัวเองคนเดียว แ, แม่ลูกคนแรกรักลูกขนาดไหนขนาดว่ายอมสละชีวิตให้ได้เนี่ย ด้วยจิตที่มีความรักความเมตตาอย่างนั้นเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละคือเราแผ่ไปแพร่เนี่หมายความว่าเหมือนจุดเทียนเทียนมันไปของมันเองแสงสว่างเนี่ยนะหเหมือนเป่าสังอืมเป่าสังเนี่ยเสียงมันก็กล้องไปทั่วเลยครับทุกทิศทุกทางเช่นเดียวกันเราเจริญเมตตาเนี่ยเรามองไปทางไหนให้มีกระแสความรักความเมตตาทั้งหมดไม่ใช่เว้นมันเอาไว้สักคนหนึ่งคนนี้เราไม่ชอบที่หน้ามันไม่ใช่อย่างนั้น ออ ค, คือให้หมดเลยะแล้วก็ปราเรามอะไรก็อาศัยภาษาที่มากระทบนั่นแหละสมมุติคนนี้เราด่าเราไมาดา่ด่าเราเราก็อาศัยเขานั่นแหละเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายในการที่จะแผ่ไปแล้วก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์ครับพูดถึงว่าในความเป็นจริงถ้าโอเคเขาด่าเราต่อหน้าด้วยแบบภาษาที่แรงๆเนี่ยการให้อภัยแผ่เมตตานี้ไม่ง่ายนะครับอาโอ้นี่ก็ ต้องฝึกมาอย่างดีอรย์ผู้เชา่ยวบอกว่าต้องทํามาแล้วแต่ก่อนมาแต่แรกคือไม่ใช่ว่าเรากระทบตอนนี้เราจะมาทําตอนนี้ครับนะมันก็บางคนถ้าคนฝึกดีอ่ะอาจจะได้อยู่แต่ถ้าเรายังไม่ได้การฝึกหรือฝึกยังไม่เข้มข้นพอนี่มันจะต้องทํามาแล้วแต่แรกแต่แรกหมายถึงว่าทำมาก่อนคือเมื่อวานก็ทํำอันที่แล้วก็ทําเดือนที่แล้วก็ทํำปีที่แล้วก็ยังทําอยู่ เราจะเห็นอันนี้สองทั้งหมดสิเอ็ดอย่างอย่างที่จะพูดต่อไปนี้อ๋อมีอะไรบ้างครับคือแต่แรกเนี่ยนะคือก่อนๆเราก็ทํามาตลอดนะพอมากระทบวันนี้ปุ๊บอ่าเราจะเป็นผู้ที่มีสุขอยู่ได้น่าจะเป็นอสามารถที่จะคงจิตให้ดีไว้ได้่คือคนที่มีเมตตาเนี่ยหมอธงมต้องมีสติระดับหนึ่งแน่นอนใช่ครับอ่าเพื่อที่ในการที่จะไม่ไหลไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลใช่ไหมครับอันนี้ส่งที่คุณจะได้รับในการที่ คุณจะเริ่มาแล้วแต่แรกเนี่ยทํามาอย่างดีละทำมาเรื่อยๆละนะก็คือว่าเราจะเป็นที่รักของพวกมนุษย์เอาไล่เป็นตามลําดับอย่าที่พี่ชาบพูดถึงก็คือว่าหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายด้วยสามอย่างครับสามอย่างที่เป็นตัวเขาหือตัวเราหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายนะหลับเป็นสุขนี่คือหมายความว่าคุณนอนไปเนี่ยเวลาที่หลับอยู่เนี่ยก็จะไม่พลิกไปพลิกมานอนนิ่งๆสบายๆใจอยู่ได้ ด้วยความสงบะครับเวลาตื่นก็ไม่ตกใจตื่นตื่นแล้วก็มีกําลังวังชาตื่นอย่างสดชื่นแต่ตื่นในช่วงเวลาที่ไอช่วงจังหวะการหลับของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะตื่นอยู่เนอะแล้วในขณะนอนเนี่ยอฝันถ้าฝันก็จะไม่ฝันร้ายแน่ล่ะอ๋อเนี่ก็คือเรียกว่าในความฝันคุณยังมีสติอยู่ในความฝันอ๋อครับอแม้ฝันคุณยังมีสติเลยทีดดูอืมอันนี้ไม่ง่ายนะครับอ๋ออ่าก็นี่เป็นอันนี้สองใช่ไหมครับ แ ต, ต่อไปก็เป็นที่รักของพวกมนุษย์ที่รักของพวกอัศมนุษย์ด้วยที่รักของพวกมนุษย์ก็คือหมายความว่าพวกมนุษย์ก็จะรักเรานะไม่ทําอันตรายหรือว่ามีความไม่มีพิษภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย์แต่ถ้ามันมี่เพราะอาศัยเหตุผลของกรรมก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในสิ่งของเราก็อาจจะลดลงน้อยลงเพนะราะว่าเราเห็นเขาเป็นที่รักอยู่อืม อ, อันที่อัดมาก็คือเรื่องของอัศมนุษย์อัศมนุษย์ น, นี่ก็พูดถึงพวกสัตว์เดรัจฉาน พูดถึงหรือเทวดาเทวดาก็ได้ครับเอ่อเทวดาก็เป็นที่รักของเราเปรตผีสางอะไรต่างก็เป็นที่รักของเราหมายถึงว่าเป็นที่รักของพวกอํมลือนั้นครับแล้อย่างยั่งยุ่งอย่างเนี้ยถ้าใครเคยทดลองก็ได้แต่ถ้าเราแผ่เมตตาให้ยุ่งที่จะมากัดเราอ่ะครับบางที่มันไปเหมือนกันนะอืมมันก็ผ่านจะไม่ไม่กัดเราเอ่าไม่กัดเราหรือว่าถ้ากจะทําการทดลองก็ได้สมมติเราเอายุงสิบตัวมาเยมาให้เรากัด ในการทดสอบว่าถ้าเราแผ่เมตตาเราจะพบว่ายุงเนี่ยถ้ามันจะกัดเรา10ตัวเลยเนี่ยนะมันอาจจะกัดเราสัก3าตัวอย่างเงี้ยอืเปลี่ยนใจก็จะมีที่ตัวที่มันยังจะกัดเราอยู่แ ต, แต่จะน้อยลงเป็นต้นแต่คืออันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ทําการทดลองนะแต่พูดถึงว่าถ้าใครจะทําการทดลองเนี่ย ค, คุณอาจจะตั้งสมมุติฐานตั้งตัวแปรแนในกา ร, รทดลองอย่างนี้แตคุณไปทดลองแล้วสิ่งที่ผลที่คุณคาดหวังว่าจะต้องได้เนี่ยก็คือว่าจํานวนยุงที่จะมากัดเราเนี่ยมันจะลดลง ครับอันนี้พูดถึงอย่างประวัติของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อต่างๆในอดีตที่มีการทุ ด, ดงในป่าแล้วก็เจอสัตว์ร้ายอย่างเงี้ยครับก็เท่าที่เคยอ่านดูเหมือนกับว่าอืมเจอเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยเสือเหล่านั้นก็ไม่ได้มาทําร้ายมากัดกินเอาครูบาอาจารย์ะที่<อ>นั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับใช<จ S>่ก็จะคล้ายๆกันไหมครับอืมถูกต้องเลยเพราะว่าท่านเหล่านั้นก็ระหูเฉยไว้มากเลยนะพูดถึงว่า อ่าใเมตตาแล้วก็เข้าไปในป่าจะเป็นที่รักของพวกอ่านมนุษย์ทั้งหลายล้วก็คลายคลาดได้ยิ่งจริงแล้วพระที่ไปอยู่ป่าเนี่ยยิ่งต้องมีเขาเรียกว่าความเมตตามากๆเลยเพราะเพราะอะไรครับท่านเราก็เป็นข้อปฏิบัติที่เขาสอนกันมาว่าจะต้องอยู่กับพวกสัตว์ป่าอยู่กับพวกมแมลงอยู่กับพวกเนี้ยแต่จะทาไงให้เรา อรอดพ้นต่างๆอันตรายต่างๆไปได้ก็ก็มาตอตรงกับข้อนี้พอดีที่ว่าไฟก็ดียาพิษก็ดีสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นได้คือคล้าค<า>ลาดไปแต่พลาดจา ก, จากไฟทั้งปวงถูกยิงถูกยาพิษอะไรก็คล้าคลาดไปอาจจะโดนอยู่แต่ว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยเป็นไปได้เดียวครับออหรือเทพยดาก็รักษาเทพยดาก็คือคืออันนี้จะไม่เหมือนพวกมนุษย์ตรงที่ว่า พวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกมนุษย์ใช่ไหมอย่างเทวดาอย่างเงี้ยเขาก็จะรักเราแต่อาจจะไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ช่วยเหลือเราแต่รักเราอยู่ออืในขณะที่ข้อ น, นี้ที่พูดถึงเทวดาเทพยดารักษาเนี่ยคือเขาจะมาช่วยวเราด้วยอ่า อ, อันนี้รวมทั้งเทวดาที่เป็น ก, กายทิพย์ก็ด้วยเทวดาที่เป็นมนุษย์ก็มีครนะเทวดาที่เป็นมนุษย์ก็เคยพูดไปแล้วพูดถึงว่าบุคคลที่มีศรัทธามีค่ามีศีลมีปัญญาพวกเนี้ย<อ>นะก็เป็นคุณธรรมของเทวดาเอครับ อก็อถ้าคุณคเป็นมนุษย์คุณก็เป็นเทวดาในร่างของมนุษย์อย่างเงี้ยก็มาช่วยเหลือเราได้นะอันนี้สําคัญอีกข้อหนึ่งคือจิตตั้งมัน่นได้รวดเร็วเมือจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วครับเป็นประโยชน์ในการภาวนาอ่าแล้วตอนพอเราแต่ไม่ตายอยู่เรื่อยจิตเราตั้งมั่นได้รวดเร็วใช่ไหมเราก็ล ะ, ละก็วางก็คลายความขัดเคืองได้นะ ค, คือจิตตั้งมั่นเราได้รวดเร็วเท่าไหร่เนี่ยนะเราก็จะเป็นเข้าสู่ที่ที่พ้นแห่งมารได้เท่านั้น ได้เร็วเท่านั้นครับอ๋อเป็นจิตที่มีกำลังด้วยใช่มีกำลังก็จะวางได้เร็วเข้าสู่สมาธิได้เร็วแล้วก็คลายความกัดเครื่องได้เป็นการอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือสีหน้าผุดผ่องเหมาอนไหพงศ์โอ้ผิวพรรณผุดผ่องไม่ต้องไปทาสัลยกรรมใช่ทำสัลยกรรมมาก็ไม่เหมือนเราจะเห็นครูบาอาจารย์หลายๆายคนที่ อาจจะเลยเมตตาอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับเนี่ยผิวท่านอมชมพูเหมือนกับมีอมีอะไรมีออร่าออกมานะครับมีลังสีที่มาจากขุนผ่องตรงนี้ก็คือไม่ไม่ได้หมายถึงว่าคนผิวคล้าผิวดาวผิวขาวหรือว่าขี้หรือขี้เรหรือว่าอะไรต่างๆมันคือผิวดําก็ก็มีรัศมีได้ใช่หมใช่ครับคนไม่ได้เป็นเออข้างใน ไม่ได้ดูรูปงามอะไรเลยแต่แต่ว่ามันมีความผุดผ่องออกมาได้คือไม่ได้ว่าหน้าจะต้องไปเหมือนกับดาราหรือนางงามหรือในแบบอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นแต่ด้วย ค, ความที่คุณเป็นอย่างนั้นอ่ะเอ้ยมันงามได้จากข้างในนี่คือลักษณะนี้ครั บ, รบอันนี้พบพบเห็นประจําเลยครับครูบาอาจารย์ที่เออ่ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นผิวพรรณบางทีท่านอายุมากนะครับหกเจ็ดสิบอย่างเงี้ยเอ้ยผิวพรรณท่าน ผุดผ่องจริงอมชมพูเอครับไม่ไม่ต้องไปทำเขาเลยใช้เทคนิคอะไรต่างๆไม่ต้องแต่งหน้าโบถกไม่ต้องทำหน้านอกจากนี้นี่ยก็ยังทําให้อไม่ไม่หลงไหลทํากาละกาละคือตายคือตอนที่สไตล์เนี่ยก็ไม่วุ่นวี่วุ่นวายเดือร้อนกระโจนกระหวายไม่เป็นนิ่งๆสบายๆไปครหลายคนคนอายุมากๆอย่างยิ่งคนที่มีเส้นดำเนี่ย พอถึงอายุที่มันจะดับขันใช่ไหมก็นอนอยู่แล้วก็ตายไปแค่นี้เรียกว่าไปสบายไปสบายไปสบายก็คือแค่หายใจแล้วก็นิ่งไปเลยอย่างเงี้ยอยู่หายใจไปเลยออืืมเรียกว่าไปอย่างมีสติก็ถ้าดูภายนอกก็จะเป็นอย่างนั้นแต่นี้จิตใจมันก็แน่นอนมันก็ส่งผลมาทางภายนอกนะจริงครัตัดไปก็คือจะทําให้ถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปเนี่ยย่อมไปเกิดในพรหมโลก นีพรหมโลกครับทีนี้พรหมโลกตรงนี้ทําให้บางคลไปคิดว่าเอ๊ะเมตตาทําให้แค่พรหมโลกเฮ้งั้นจะไม่เอาหรอกนะฉันฉันไม่ไมทําดีกว่าฉันไปทําอย่างอื่นปล่อยวางให้หมดไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเมตตาเนี่ยพระเจ้าแนะนําให้ทํามากๆเลยเหมอแล้วทงครับพระอง์ก็ทำครับแล้วก็ยังเคยใช้ในหลายบาระโอกาสเช่นแบบเมตตาพิสุเข้ามาฟังธรรมก็มีเนะ S <S ทีนี้เลยจึงต้องทําความเข้าใจตรงนี้ว่าเมตตาเนี่ยไม่ใช่แค่พรหมโลกนะ <ไอ S 1> เคยมากกว่า น, นั้นใช่มีครั้งหนึ่งที่บิษกษุเข้าไปบินดบบาบัดในหมู่บ้านแล้วก็ยังไม่ถึงเ<ช>วลาก็เลยไปพักในสํานักของปริปาชกพวกหนึ่งรพวกนั้นเขาก็ถามว่าเอ้ที่นี่เขาเราสอนพรหมิหารสีนร่นะคือหมือนกับว่าเมตตากรุณาบุติอุเบกขาสํานักโคดงก็สอนนี่แล้วต่างกันยังไงอ่าแล้ว ทำให้ยิ่งได้ยังไงพวกภิกษุพวกนั้นก็แก้ไม่ได้ก็คิดว่าจะไปถามบุรจานะคบบุบาก็เลยสอนว่าถ้าเขาถามมานะให้ถามเขาอย่างนี้จะพูดถึงความแตกต่างเนี่ยนะก็อย่างเช่นว่าเอา่อทั้งหมดเนี่ยสอย่างเนี่ยนะพระมิหารสี่เน่ยมีอะไรเป็นที่ไปมีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดจบแตนะ่ถ้าถามก็อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะตอบไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นแง่มุมที่ดีว่าเมตตาเนี่ย ก็จเจริญโพชฌงได้อนาโพชฌงเจ็ดนี่นะครับใช่เนะดี๋ยวพระเช้าพูดถึงว่าการย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันประกอบด้วยเมตตาย่อมเจริญ<ม>อุเบกขาสัมโพชฌสมาธิสัมโพชฌปิสัมโพชฌธ ร, รรมวิจัยสัมโพชฌพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยอันประกอบด้วยเมตตานะ<อ>แล้วอาศวิเวกวิราคานิโรธอันน้อไปเพื่อความปล่อยวางวนะตรงนี้<อ>ยังไงคุณก็ไปสู่นิพพานได้โออย่างนี้ก็ เป็นเป็นแง่มุมที่เราไม่ค่อยจะได้ยินนะครับ<ช>ว่า เ, าเมตตาล้เข้าในผานนในผานได้ก็คือใช้เมตตาเนี่ยเป็นบาดฐานเนที่จิตเนี่ยมันสบายใช่ไหมจิตมันดีใช่ไหมคุณก็ใช้จิตตรงเนี้ยเอ่อคนที่มีจิตอย่างนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีสติแน่นอน<ช>สตินั่นแหนะคือสติสัมโพชงอ่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีเมตตาคุณมีสติอยู่สติที่คุณมีเมตตาเนี่ยคือสติสัมโพชงเพราะนั้นก็จึงมีสติสัมโพชงที่ประกอบพร้อมโดยเมตตา เนี่ยพิมีสติสัมปโชงเหมือนกันไปปีติสัมปโชงวิทยาสัมโพชงธรรมวิทยาสัมโโชงอะไรต่างๆหมดเลยนะแล้วถ้าเราวางตรงนั้นได้นะมีความเห็นความจางใครความดับไปนะบ่อยๆก็ปล่อยวางได้ก็สําเร็จเป็นพระหัได้ตรงนั้นอืมโอ้วันนี้ดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับแบบไม่ไม่ไกลเกินเอื้อมในความรู้สึกใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวสอน เขาเรียกว่าอะไรเป็นแง่มุมที่แตกต่างจากที่อื่นๆเขาสอนกันนะในความเป็นสมาธิธรรมนะอืมครับเมตตาทีนี้บทเมตตาภาวนาเนี่ยมีบทจำเพาะไหมครับว่าต้องเป็นบทนี้บทนี้เหมือนเพราะว่าเท่าที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยสายนุ้นภาวนาอ่าคําตัวคำเพยชนยัยแบบอย่างนี้ แ, แบบนี้นี้หลายหลายบทสวดมนต์ก็จะมีสเปสตาอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าก็พุทธวชลพระพุทธเจ้ า, าก็ตรัสอย่างนี้บอกว่า แค่ว่าเราทําจิตเนี่ยให้มีความรักความเมตตาเอ๊ะทําจิตมีความรักความเมตตานี่เป็นยังไงแต่พุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างมารดาที่รักลูกที่เกิดขึ้นในตัวเองนะหรือว่าเอาอย่างนี้ก็ได้คือคือพุทธเจ้าเนี่ยให้ใช้นิมิตนะนิมิตอั้นจะเป็นที่ตั้งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งนะนิมิตตรงนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างเลยที่พุทธเจ้าพูดถึงแม่รักลูกใช่ไหมหรือว่าบางครั้งเนี่ยหมอแล้ตรงอาจจะไปดูหนังอา่านเรื่องอะไรอันใดอันหนึ่งที่มัน อินสปายริที่มันโหซาบซึ้งอย่างเงี้ยนะที่มันเป็นเรื่องของความเสียสละเรื่องของความเมตตาแล้วจิตเรามีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นมีความรักความเมตตาเกิดขึ้นตรงนั้นก็ได้เข้าใจไหมความรู้สึกอันนั้นมาอ่าความรู้สึกอันนั้นนึกถึงอารมณ์ น, นั้นต์ปุ๊บนั่นแหละคือคือจิตที่มีความรักความเมตตาละเราอาจจะเห็นแค่ไก่เนี่ยมันเอามือบอกป้องลูกมันเอาไว้ โอ้การที่แม่ไก่รักลูกไก่เนี่ยก็เป็นอารมณ์ให้เรามีความรักความเมตตาได้เราเห็นแม่หมาให้นมลูกนมหมามันก็เรียหัวเรียตัวเนี่ยเออหเราก็เห็นแล้วก็มีความรักความเมตตาได้อมันเป็นอารมณ์ได้ทั้งสิ้นเลยนะถ้าคุณเก่งมากคุณอาจจะเห็นใบไม้ร่วงคุณก็จะเรียเมตตาได้เห็นท้องฟ้าคุณก็จะเรีเมตตาได้เห็นภูเขาคุณก็จะเรียนเมตตาได้เห็นคนที่เราไม่ชอบคนที่เขาไม่ชอบเราเน่เราก็จะเรียเมตตาได้ เรื่องนี้ดีมากมากอันนี้เป็นการกําหนดนิมิตแห่งจิตที่เป็นกุศลใช่ให้เป็นเครื่องหมายในการที่เราจะเจริญเมตตาเพราะนั้นให้ทุกอย่างเลยเป็นเครื่องหมายในการที่คุณจะเจริญเมตตาก็ได้อดยเยี่ยมเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเมตตานี่ต้องทําให้อย่างเจริญทําให้มากทําให้เป็น <ทำ S 1> ดุจญาณที่เทียมดีแล้วแต่ทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยได้ทําอย่างลเนืองทําอย่างสม่ําเสมอทําอย่างดีจริงๆใช่ไี้จึงจะหวังอันนี้สองสิบแปดอย่างนี้ได้ อืมเดี๋ยกว่านึกอะไรได้ก็ขอให้เข้าสู่เมตตาภาวนาไปเลยใช่ครับแล้วตรงนั้นจิตคุณมีสติแน่นอนแน่นอนอืมอย่างเวลาขับรถเนี่ยใช่ไมอ่ะเห็นคนจะข้ามถนนเห็นอะไรเงี้ยก็เราก็นึกถึงตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเป็นมิติที่คุณจเจริญเมตตาได้ทันทีครับเออแล้วเราก็ที่บอกว่าจเจริญ ม, มาแล้วแต่แรกนะครับคือต้องทํามาเรื่อยๆทามาแต่ก่อนไม่ใช่แค่เมื่อวานนี้อ่าอาทิตย์ที่แล้วก็ทํา แลคืออาทิตย์แล้วมันย้อนกลับไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันนิยธรรมนะเราต้องไปหวังผลอาทิตย์หน้าก็ได้นแต่เราไม่ต้องถึงอาทิตย์หน้าหรอกเราบันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยทำให้จิตเราก็สบายเออทําอยู่เนืองๆแต่พระเจ้าบอกว่าทาให้เป็นเหมือนยานที่เตรียมดีแล้วแต่อย่างถ้าเราสมัยก่อนเป็นวัวเป็นควายวัวเนี่ยนะเขาเตรียมเกวียนใช่ไหมเตรียมเกวียนใช่ครับเขาต้องผูกวัวนั้นอย่างดีให้แน่นนะเราต้องมีเงื่อนสําหรับผูกวัวนะเขามีเงื่อนพิเศษของเขา ไม้นี้ก็ต้องทําเป็นรูปพิเศษที่เข้ากับคอบัวนี่ยมีการส่งกําลังทางคานทางระบบการของในไม้เนี่ยนะเนี่ยมันต้องทํำมนอย่างดีดีไซน์อย่างดีเพื่อให้มันไปได้แต่สมัยปัจจุบันเป็นอะไรเป็นรถยนต์รถเก๋งรถกระบะอะไรก็ตามเนี่ยเครื่องบินก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ระบบส่งกำลังระบบเกียร์ระบบเบรคระบบไฟฟ้าระบบช่วงล่างอะไรระบบการลู่ลมแรงต่างเนี่ยมันต้องมีหมดต้องดีหมดเนี่ยรถราคาถูก ก็จะต้องมีระบบพวกนี้อย่างน้อยก็ต้องมีใช่ครับยังไงมันก็ต้องมีเพราะนั้นเราต้องทําให้อย่างชํานาญเลยทีเดียวอืครับกแล้วก็ทําให้มากๆอันนี้เป็นวิธีหนึ่งแตคือการเจริญเมตตาครับทําให้บ่อยทําให้มากครับก็ต้องเน้นตรงนี้ด้วยนะว่าเมตตาเนี่ยมาพูดพูดไปเนี่ยจะมาหาว่าเราชวนไปคนไปพรหมโลกเท่านั้นไม่ใช่เนีไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะไม่เออพระพุทธเจ้าจะไม่ไม่สอนเลย ธพรมชาติก็ยังสอนแล้วก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปเออเอาโพชฌงค์ทั้งเจ็ดเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ปล่อยวางได้เราก็จะทำให้เจริญต่อขึ้นไปได้ครั บ, รบโพชฌงค์เจ็ดก็เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรร ม, มครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าพอเราพูดถึงการขับเคลื่อนการปล่อยวางเนี่ยจะปล่อยวางความขัดเคลือนที่เกิดขึ้นในจิของเราเนี่ยครับ เราเราพูดกันมากเลยเรื่องความว่าปล่อวางปล่อวางปล่อยวางเนี่ยจริงครับพูดเยอะเลยอ่ <c oughs> ในทุกที่เลยนะผู้ชาก็พูดทีนี้เราจะต้องเวลาเราจะปล่อยวางจริงเนี่ยนะคือมันไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยวางได้นะหมอและพงษ์คือก็ไม่ง่ายนะครับเออเราจะวางโอ้ยมันมันคือเราต้องสร้างเหตุที่ถูกต้องของการปล่อยวางแตนะ่ตรงนี้ท <ừ> ํา <ừ> ไมให้เรา <ừ> แก้ปัญหาว่ถูกจุดหรือเปล่าเราต้องถามตัวเองแนะคุณแก้ปัญหาถูกจุดหรือเปล่าแต่เพราะว่าจะวางจะวางเนี่ยมันไม่ใช่วางได้เลย คุณต้องสร้างเหตุของการวางเหตุมีอะไรบ้างครับคนจะปล่อยวางได้หมอท่าผมคิดว่าคืออะไรทําไมเราถึงจะปล่อยวางได้ก็ต้องเห็นโทษโทษของสิ่งที่เจ้าพระเจ้าพูดถึงว่าก่อนที่คุณจะปล่อยวางได้เนี่ยคุณต้องคลายกําหนัดก่อนนะก่อนที่คุณจะคลายกําหนัดเนี่ยคุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงครับนะคุณเห็นโทษของมันคุณเห็นตามที่เป็นจริงไงคุณเห็นตามที่เป็นจริงก็คือเห็นโทษนั่นเองนะคุณเห็นโทษ คือเห็นได้ทเป็นจริงยังยังมีแง่มุมอื่นอีกนะเห็นโทษนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไห ม, มคุณจะมี ค, ความคลายกําหนัดแล้วคุณก็จะอะปล่อยวางได้อครับคลายกําหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้อก่อนที่จะคลายกำหนัดมีขั้นตอนหนึ่งด้วยคือเบื่อหน่ายน<อ>ี่พิธา ค, คือความเบื่อหน่ายพอคุณเห็นเห็นมันอย่างทุกแง่มุมแล้วเห็นมันอย่างตามที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายกําหนัดคลายกำหนัดก็จะปล่อยวางได้คือสิ่งที่เราต้องทําเนี่ย คือรอบรู้เรื่องนั้นนะ ค, คืออ า, าจารย์มังกรพูดว่าเวลาสมมติขันห้าอย่างเงี้ยเราจะวางของหนักเดี๋ยวเราจะปล่อยวางของหนักหมอ ร, รัฐพงศ์จะวางยังไงอ่ะมันมันมันมันวางมันยังวางไม่ได้เราก็ยังถืออยู่อะไรยังไม่เป็นบาลานซ์เนาะใช่ครับแล้วยังแบกมันอยู่ <laughs> แล้วเราก็เห็นแต่ว่ามีแต่ความทุกข์ความทุกข์อย่างเงี้ยคือเราจะปล่อยวางเนี่ยนะ ค, คุณจะต้องเห็นความทุกข์นั้นเนี่ยโดยทุกนี้มันมาจากอะไรยังสมมติเวทนาเป็นต้นอย่างเงี้ย เวทนาเป็นหนึ่งในขันต่างาใช่ครับขันต่าเป็นหนึ่งขันต่าเป็นทุกขันต่าเป็นทุกข์เนี่ยเราคิดว่าเออเราต้องปล่อยวางความทุกข์อดี๋ยวก่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนความทุกข์คืออะไรมาแลงความทุกข์เนี่ยไม่ที่มันแตกสลายได้ใช่ไม่ครับความทุกข์เนี่ยพระพุจ้าบอกว่าต้องรอบรู้นะเราต้องรอบรู้เรื่องทุกข์เรารบรู้ไงที่วรอบรู้เรื่องทุกข์อย่างเช่นว่าเวทนาเอ้เวทนาเกิดจากอะไร เวทนาเป็นลักษณะไงตัวมันเป็นยังไง้มันจะมีผลยังไงนะมันมีความข้อดีมันยังไงข้อโทษของมันเป็นยังไงวิธีแก้ไขทํทำยังไงร เ, เราต้องรู้แง่มุมพวกนี้เสร็จแล้วคุณจะเรียกว่ารอบรู้เรื่องทุกนะรับรู้เรื่องเวตนาพอคุณรู้เรื่องเวทนาแล้วคุณรู้บ่อยๆทำบ่อยๆทมบ่อยๆนะเราจะเกิดความโอ้ยมันก็อย่างนั้นแหละว่า mm hmm. นะมันก็อย่างนั้นแหละว่านะคือความเบื่อหน่ายนิพพิทายานเพราะเรามีนะิ oh oh. พพิทายานเกิดขึ้นเราจะมีความคลายกําหนัด ใ น, ในเวลานั้นพอเราคลายกำหนิดแล้วเราจะปล่อยวางได้อืมแต่ทำไมาต้องเน้นเรื่องนี้มากๆเลยเพราะรว่ า, พาเพราะว่ามันให้ไขกับปัญหาถูกไม่ไม่ถูกจุดนะนะ ค, คืออย่างถ้าเราบอกว่าคุณต้องปล่อยวางนะปล่อยวางนะใช่อยู่สิ่งที่เราต้องปล่อยวางต้องละต้องทิ้งต้องไม่ถือเอาไว้ต้องโยนทิ้งไปเลยเนี่ยนะคือตัณหาคืออุปท า, านตัณหาอุปท า, านนะแต่ตัณหาอุปท า, านเนี่ยมันก็ติดกับขันห้าท่านั่นเอง ครับมันก็มันก็ติดจากครนห้าเท่านั้นเองแต่เราไม่สามารถที่จะละเจ้าตันหาอุปทานได้หรอกเพราะมันเหนียวอย่างสมมติเราถือของอย่างหนึ่งนะหมอรัฐวงศ์นักหน่ะเอาเราคว่ำมือลงเลยคว่ำมือลงมันก็ติดอยู่มันยังติดอยู่มันเป็นกาวอ่ะมันเหนียวอ่ะแต่คุณแบมือออกแล้วมันก็ยังหนึบกับมือคุณอยู่โอ้โหอันนี้ทําไงดีเราเอาพยายามแซพยายามล้าไอ้ที่แซเนี่ยคือคุณแซะเจ้าตันหาเท่านั้นเอง ใช่ครับตะทีนี้เราจะแซะตระหนักิริยาที่เรียกว่าแซะตระหนันี่คือคุณก็มาทําความเข้าใจกับขันห้าไงเพราะเราอยู่กับมันอยู่นะอ่าอย่างท่าหมอรพยงศ์จะพูดถึงเรื่องสุขเวทนาเอ้าสุขเวทนาเป็นอะไรสุขเวทนาเป็นอะไรสุขเวทนาก็เป็นขันห้าครับเป็นเวทนาอย่างหนึ่งใช่ไหมเวทนาเป็นขันห้าใช่ไหมครับเวทนาเป็นขันห้าสุขเวทนาเป็นขันอย่างหนึ่งอ่าก็เป็นขันในการเป็นจริงในเรียกว่าในขันทั้งหเพราะนั้นสุขเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์แน่นอน อ๋อครับที่หมดของความทุกข์อ่าเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะต้องมาละสุขเวทนาอย่าเพิ่งคุณจะไปละสุขเวทนาได้ยไงเราอเราละไม่ได้หรอกสุขเวทนาถ้าเรายังไม่ละตัณหาครับทั้งนั้นเราจะทำไงกับสุขเวทนาดีพระเจ้าให้ทํำยังไงแต่พระเจ้าให้ับทําความเข้าใจกับสุขเวทนานั้นอคือรอบรู้เรื่องนี้ให้ได้ยังไง่สุขเวทนาเกิดจากอะไรก็เกิดจากภาษาถูกต้องมีภาษาแล้วจึงมีเวทนา นสุขเวทนามีเพื่อนไหมตัวมันเป็นยังไงบ้างมันก็มีเพื่อนคือทุกขเวทนาทกานามีเพื่อนคืออัตุกมตรมสุขเวทนาอย่างนี้นะออืแบบเข้าใจเวทนาเอาเวทนาที่เป็นห้าก็มีสามก็มีร้ายแปดก็มีครับนอกจากนี้แล้วผลของเวทนาคืออะไรแต่วเวทนาจะทำให้เกิดตัณหาตัณหารครับเอาแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรเอามันจะทําให้เรามีความสุขกายสุขใจได้ครับโทษของมันคืออะไรอโทษของมันก็คือว่า มันจะเป็นทุกข์ได้มันเสื่อมไปได้มันจางคลายไปได้มันดับไปได้แต่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอย่างที่จากที่เราต้องการให้มันเป็นอันนี้คือโทษของมันเอแล้วอุบายนําเบาของมันคืออะไรอันนั้นก็คือมรนักนเองมรรคมีองค์แปังรู้หกอย่างตรงนี้แล้วเนี่ยหกอย่างตรงนี้นะก็ชื่อว่าคุณรอบรู้เรื่องตัวนั่น่ะอืมพอคุณรอบรู้เรื่องสุขเวทนาแล้วนะเราทําไปทําไปบ่อยๆเนี่ยรอบรู้อย่างนี้คือเห็นตามที่มันเป็นน่ะนะสุขเวทนาเป็นยจริงๆ นะสุขเวทนาเป็นย่งจริงเราเห็นมันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะหมอแล้วพงศ์แต่ ค, คนทั่วไปเนี่ยจะเห็นแค่อสาทธะคือรสอร่อยของมันเฉยเฉยอร่อยอ๋อครับแต <นะ S 2> ่พราะคุณไม่เห็นเอไม่เห็นแงม่มุมอื่นเห็นแค่อันเดียวจากหกอันอเห็นแค่อันเดียวจากหกอันคุณยังไม่ราบรู้นะคุณคเห็นแค่อันเดียวคือรสอร่อยใช่ไหมคุณก็จะหลงเพลินยึดถือไปตามมันล่ะอออืหลงเพลินยึดถือว่าอนี้เป็นของฉันหรือว่ามัวเมาลุ่มหลงไปตามสุขเวทนานที่เกิดขึ้นล่ะ นะเป็นอย่างนี้แล้วก็คื อ, อยังไม่เรียกว่ารอบรู้ยังยึดอยู่แต่ถ้าผมว่าเรารอบรู้ซึ่งหกอย่างนี้นะ เ, เกิดคืออะไรผลคืออะไรตัวมันเป็นยังไงสุขข้อดีคืออะไรข้อเสียเืออะไรพิธีแก้คืออะไรเห็อนะ <He ard S 1> อย่างนี้เรียกว่ารอบรู้เรื่องนั้นละ่นะพอเรารอบรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น <itative. S 2> สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะเรียกว่ามีความเบื่อหน่ายอคือเห็นตามที่มันจริงแล้วอะอย่างนี้เรียกว่าเห็นตามจริงละเห็นตามที่มันเป็นอย่างนั้นล่ะ <N ic> um> เห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเบื่อไหนเบื่อนานเราจะคลายกำเนิดคลายกำเนัดเราจะปล่อยวางได้ปล่อยวางอะไรได้ก็ปล่อยวางสุขเวทนานั่นแหละได้ครับเพราะเราปล่อยวางสุขเวทนานได้นี่แหละคือคุณปล่อยวางได้ละ่ะอืมในหมู่ผู้ปฏิบัติเคยคุยเหมือนกันนะครับว่าวางทุกข์กับวางสุขเนี่ยเหมือนวางสุขยากกว่าเพราะเหมือนเรามีมีความยึดติดในสุขนะครับ <N ic> um> นี่ไงมรดพงเพราะว่าเราถ้าเราจะไปพยายามวางสุขวางสุขเนี่ยมัน มันยากมันไม่ได้อะมันคือเราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดใช่ับเราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะเราต้องเห็นสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเอาแค่นี้พอเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์นะคือเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์นี่หมายเขาเมื่อไงเห็นสุขโดยความที่เป็นทุกข์สเพราะมันทุกข์คือขันห้าไงเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นอย่างที่ขันห้าคนเห็นคือเอาตัวแปรตรงนี้เอาสุขเวทนาเนี่ยเป็นตัวแปรยกออกแล้วเราเอาตัวแปรอะไรใส่เข้าไปก็ได้นะคุณเห็นหกอย่างนี้ น่ยคุณไม่ใช่ว่าพยายามจะไปวางอะไรหรอกไอ้ที่วางเนี่ยมันมองไม่เห็นด้วยสามตันหามันเหนียวอ่ะเวลากาวมันติดกันเนี่ยเราไม่เห็นกาวนะเราเห็นแต่อาที่มันติดกันอยู่อ๋อเพราะเราต้องเห็นไอ้ที่มันติดกันอยู่เนี่ยโดยความโดยความที่มันเป็นอะไรเหตุเกิดคืออะไรตัวเป็นคืออะไรผลคืออะไรเอข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรวิธีแก้คืออะไรเอาแค่หกอย่างง่ายๆนี่ก่อนอืมเราก็จะเห็นตามตามจริง เห็นตามที่เป็นจริงค่ะเห็นตามที่เป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเกิดนิพพิทายาณเออมันก็อย่างนั้นแหละว่าเออมันก็อย่างนั้นแหละว่าเนี่นี่คือความเบื่อหน่ายนะเราจะคลายกำหนัดจากมันได้คือก้าวเริ่มหมดสภาพละไอ้ตรงคลายกำหนัดนี่แหละก้าวหมดสภาพแล้วนะพอกาวหมดสภาพปุ๊บมันก็หลุดไปเองปล่อยวางได้อแต่เรนั้นการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องสร้างเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุที่เราจะต้องทําแต่เหตุสิ่งที่เราต้องทําคือ เห็นตามนั้นเห็นตามนั้นเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามที่เป็นจริงครับอ่นี่คือการแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะอืมอืตามแนวทางอริยมรรคคือของหนักเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะวางเขาแม้บทพยาญชนะบางทีอาตจมาอาจจะกำหนดไม่ถูกนะไม่รู้เราจะพูดยังไงดีคือถูกต้องอยู่คุณต้องวางของหนักให้ได้แต่ถ้าคุณจะไปวางตรงนั้นจิตเราจะไม่สมดุลครับเหมือนเหมือนกับว่า ถ้าผู้คนต่างแสวงหาความเบาความสงบแต่ก็ยังแตกขันห้าคือของหนักอยู่ใช่คุณจะเที่ยวหาของเบามาถืออครับมันไม่ได้เพราะว่าถือของเบาก็ยังหนักอยู่ดีใช่ครับก็ยังครับเอคือเราคิดว่าเราจะเรียนธรรมะเพื่อที่จะละแต่คุณไปยึดธรรมะให้มากขึ้นอก็เป็นของหนักอยู่ดีก็สุดปลายก็ยังเข้าใจไม่ถูกไงก็ยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดจริงเราจะไม่สำเร็จ เพราะนั้นเราต้องแก้ปัญหาถูกจุดก็คือเราต้องเข้าใจเอาธรรมะมาเพื่ออะไรเนะเพื่อ<ห>ที่จะละะ<ล>เอาธรรมะมาเพื่ออะไรก่อนพูดผิดจริงแล้วนี่เอาธรรมะมาเพื่อที่จะเข้าใจสรรพสิ่งให้มันถูกต้องอพอเข้าใจสรรพสิ่งให้มันถูกต้องแล้วมันจะละไปได้เองอ<ม>เนาะได้เองได้เองนี่มันได้ยังไงมันจะเกิดตอนไหน <shot> ก็ตอนที่คุณทําให้มากมากมากมากเลยนะจนมันเบื่อนิพิทาคือความเบื่อหน่าย นิพพิทายานนะเนบ่ยพอเบื่อแล้วมันจะคลายกำหนัตแตมันไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งนะหมอรัตพงผ์ว่าเบื่อแล้วไม่ทําแล้วมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าพอเบื่อไม่ทําแล้วเบื่อไม่เอาหรอกว่าคือเบื่อเซ็งเนี่ยคุณก็ไปยืดจางเงินอย่างสมมติเบื่อรถคันนี้ก็ไปยืดรถคันใหม่เบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ไปซื้อเครื่องใหม่อหมแต่นิพพิทาเนี่ยไม่เหมือนกันนิพพิทาคือว่าพอเบื่อแล้ววางเบื่อแล้วคลายกำหนัดคลายกำหนัตแล้วปล่อยวางได้ ครับกาวเหนียวมันลดลงวางกันเลนะครับเราจะเรียกว่าแก้ปัญหาถูกจุดถูกจุดตรงตรงอืมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะพูดว่าอ่อพระไปบูนบอกว่าเอย่าวางขันห้าไอ้เราไม่ได้พูดอย่างนั้นครับเราบอกว่าให้ทําความเข้าใจกับขันห้าแต่ว่าคุณอย่าไปอย่าไปหวังว่าคุณจะวางได้ก่อนเพราะมันยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะขันห้าต้องวางใช่อยู่ แต่ทีนี้เราจะวางขันหน้าคุณต้องทายัางไงล่ะก็ต้องเห็นตามที่เป็นจริงถูกต้องเราต้องเห็นขันหน้าตามที่จริงสิ่งที่เราต้องทําต้องใส่แรงเข้าไปต้อง put a n d ฟฟอร์ดเข้าไปต้องทําให้เกิดขึ้นคือเห็นขันหน้าตามที่เป็นจริงอืมครับเรามีเวรเกิดขึ้นใช่ไหมคนก็มาผูกเวรกับเราเราพยายามจะไปแก้ปัญหาด้วยกันนี่อะไรทให้เข า, า Happy. แฮปปี้ทำให้เอาสิ่งนี้สิ่งนั้ น, นไปให้เขาเพื่อให้เขาคลายความผูกเวรเฮ้ยมันแก้ปัญหาถูกจุดหรือเปล่า ก็ S <S <S <S ใช่แม่ ห, หมอรัตพงศ์อย่างาคนเนี่ยมาพภาวนาขอให้ใครเวรจากคนอื่นใครเวรจากเราไปเฮ้ยเราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะ <S <S คือหมาย<ช>ควว่าถ้าเรากังวลว่าเขาจะมาผูกเวรกับเราเราจะเป็นทุกข์เราจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาที่ตัวเราเองตรงที่ว่าเรายังยึดอยู่ว่าเรายังมีความเป็นตัวตนอืมถ้าเราก้ีตัวเราอไม่มีความเป็นตัวตนแล้วเนี่ยนะเราจะไม่กังวลเลยว่าใครจะมาผูกเวรกับเราทําไมพระเทวทัตผูกเวรกับพระพุทธเจ้า พระเจ้ไม่มีความกังวลนะเพราะเพราะว่าพระองค์แก้ปัญหาที่ตัวพระองค์ได้อยู่แล้วถามว่าไม่ไม่เมตตาพระเทวตาร์หรอไม่ได้มีความคิดที่จะช่วยหรอเมตตาเมตตาทั้งทั้งนั้นแหละมตครับแต่ว่ามันก็ถึงถึงว่าต้องแก้ปัญหาถูกจุดไงเราต้องแก้ปัญหาถูกจุดว่าไอ้ขันห้าเราต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรานะคือคือจะเห็นยังไงว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะนี่มันพูดได้เฉยใช่ครับเราก็จะต้องเห็นว่า มันแงมุมต่างๆหกอย่างเนี่ยเห็นตามที่เป็นจริงออืถูกไหมเราถึงจะเห็นว่าอ๋อมันไม่ใช่ของเราอย่างในวิทยาศาสตร์ก็เอาการการทดลองมาเอาแขนเราก็ได้เอาเนื้อเยื่อที่ที่นิ้วของเราไปเี้ยไปตรวจดูเนี่มันก็เป็นเซลลถูกไหมใช่ครับพอเราตรวจดูเซลล์ก็แบบมันก็เป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลโมเลกุลโมเุอะไรต่างๆโมเลกุลเราดูเข้าไปอีกอ้าวดูโมเลุลก็จะเป็นอะตอม แนะ ค, คุณดูก็เป็นอะตอมเอา้ามันก็จะมีนิวเคลียสกับส่วนที่เป็นอิเล็กตรอนะพอเขาดูเข้าไปหมอล้วงศ์เขาตกใจมากเลยพวกนักวิสานะอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็เป็นคลื่นเป็นอากาศเป็นที่ว่างๆอยู่ข้างในอ๋อตรงนี้คนคที่ไม่ได้นักวิสานจะงงเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าใครขับรถไปที่ไกลๆหมอล้ะคงศบตอนฤดูร้อนนะอเราจะเห็นพายับแดดไหวยิบยับอยู่ไกลๆอ๋อจริงครับสมัยนั้นทำไมาเป็นเด็กออกมาจําได้่แม่นๆเลย พ่อเนี่ยโยมพ่อเนี่ยขับรถโฟกตู้เนี่ยนะไปครับเราก็นั ili, ่ง <rinse> ข <vé> <talk La target> ้างหน้านะเราเป็นเด็กน้อยเนี um <isso> ่ยนะเราก็ชอบมองข้างหน้าไอ้นี่อะไรถามพ่อไปอย่างเงี้ยนะก็เห็นพยับแดดไหวยิบยับหนูหน้าข้างหน้าต้องมีน้ําแน่เลยระวังนะระวังนะขับไปขับไปเฮ้ยมันไม่ถึงสติเฮ้ยทำไมไม่ถึงสติเราก็งงนะพ่อพ่อก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นเป็นพยับแดดเฮ้ยมันอะไรวะพยับแดดนะเรากําหนดให้ดีแล้วมันต้องต้นต้นต้นไม้ต้นนั้นแน่นอน เสาไฟฟ้าต้นนี้แน่นอนเดี๋ยวถึงแน่ถึงแล้วปุ๊บเอ๊ะทำไมมันไม่มีวะอืมันก็จะไกลไกลไปผู้เช่าบอกงี้ครับนี่เป็นอุปมาในผู้เช่ายกเลยหมอระพงว่าครับเพบแดดเนี่ยย่อมไหวยิบยับในช่วงทยย้ายแห่งฤดูฝนแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรงเซลเซลเรานะเซลได้ร่างกายของเราเอ๊ะมันเป็นอะตอมเนะี่ยเป็นก้อนๆนะพอคุณทะลุดูเข้าแบงค์ไหนมันไม่มีอะไรอือิเล็กตรอนเนี่ย ถ้าใครเข้าใจวิทยาศาสตร์อิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นแค่เป็นแค่เหมือนกับกลุ่มก้อนบบกลุ่มแกสใใ๊สเฉยๆกลุ่มแก๊สเฉยๆเป็นที่ว่างๆในอะตอมเนี่ยไอ้ตรงนิวเคลียสเนเล็กนิดเดียวนะแค่หนึ่งในห้าสิบหรือหนึ่งในหนึ่งพันด้วยซ้ำแต่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นชีว่างๆที่อิเล็กตรอนมันอยู่พอเราถอยออกมาดูอ้ามันกลายเป็นก้อนขึ้นมาได้ไงวะเราถอยออกมาดูอย่างเงี้ยกลายเป็นไยับแดดเหมายิบยัเหมือนมีอะไรเหมือนมีแหล่งน้าเหมือนมีเรื่องยาวอะไรตรงนั้น แล้วพอไปดูใกล้ๆเออไม่มีอะไรเว้ยไม่มีอะไรครับเออไม่มีอะไรเว้ยไฟที่มันลุกโพงๆอยู่เนี่ยบึ้มๆอยู่เนี่ยเอะเหมือนกับตรงตรงใจกลางไฟเนี่ยมันมีอะไรแต่พอไฟดับไปแล้วมันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรครับนี่แหละคือว่าถ้าเรามันดูดูในตัวเราเนี่ยนะถ้าเราจะพามแก้ปัญหาที่มาอย่างเช่นคนอื่นปูกเวรกับเราเนี่ยนะเราเป็นพวกเราเป็นร้อนเราต้องการแก้ให้เขาแก้หายการปลูกเวรจากเราคุณแก้ผิดจุดแล้ว คุณแก้ที่ตัวเราจริงๆตัวเราไม่มีถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยนะอปัญหาพวกนี้เราก็จะแก้ถูกจุดละตรงนี้ต้องการยกตัวอย่างเปรียบเทียบที่ว่าขันห้านะคุณไม่ใช่ว่าคุณบริวางนะคุณไปวางนี่คุณยังแก้ไม่ถูกจุดอยู่ใช่คุณต้องวางอยู่นี่เป็นผลสุดท้ายแต่วิธีที่วิธีที่ทําให้การวางเกิดขึ้นได้คุณต้องรอบรู้เรื่องขันทั้งหากแต่วิธีที่จะให้คุณก็คลายเวรกับเราได้โอ้ยอันนี้มันอีกเรื่องนึงหรอ เราพูดถึงความขัดเคืองถ้าเราช่วยก็ได้ก็แก่ไปใช่ไหมเขาจะต้องมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาด้วยนะแต่ตัวเราเราจะแก้ไงไงแม่เราทุกถ้าเราไปแก้ตัวเขาคุณแก้ผิดจุดอเราต้องแก้ที่ตัวเราเราไปจะยิ่งทุกข์นะครับเพราะว่าเราไปแก้เขาไม่ได้แล้วก็จะลิ่งขัดเคืองเราต้องทายความขัดเคืองให้เราให้เกิดขึ้นได้ก่อนใช่เราจะเห็นว่าเอ๊ยทาไมเราเป็นตัวเราได้อถ้าเราจะไปแก้ที่ว่าให้เห็นเป็นไม่ใช่ตัวเราเอาคุณแก้ผิดจุดอีก แต่คุณจะต้องไม่เห็นตัวเราเนี่ยโดยในย่าอย่างที่ว่าตัวเราคืออะไรคันห้าเราอรอบรู้เรื่องตัวเองมากเท่าไหร่คุณส่งกล้องส่งกล้องจุลทรรศเข้าไปดูเนื้อตัวเองเอาดูว่าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปเฮ้ยมันไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรนช่ไที่สุดแล้วทุกสิ่งเหมือนเหมือนกันเราดตราาูตับเราะตับเราตับคุณเป็นมะเร็งอางเงียเนต้นนะบางคนเป็นมะเร็งก็ไปดูเซลล์มะเร็งเฮ้ยเซลล์มะเร็งมันก็ทํางานตามตามหน้าที่ของมันนะคือตามปกติของเขานะก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะอืม แต่ว่าโตไปคนละแบบนั่นเองเอ๊ะทำไมก็เซลล์มันก็ทํางานไปตามกระบวนการนะเม็ดเลือดดาเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรพวกเนี้ยมันก็ไปทําตามกระบวนการของมันเอ๊ะทาไม ม, มันถึงเป็นตัวเราขึ้นมาได้<ม>เออมันงงกันนะพอเข้าไปดูใกล้ๆยังไม่ต้องถึงระดับโมเลกุลไม่ต้องถึงระดับอะตอมไม่ต้องถึงระดับนิวเคลียสเลยเแค่ว่าเซลล์ต่างๆมันทํางานตามกระบวนการวเอ๊ะมันไม่เห็นมีตัวเราเลยฮชเราแยกแยะออกมาดูไอ้ตัวเราอยู่ไม่เห็นมีเลยไหม อ้าวทำไมมันรวมกันแล้วมันมีได้ไงวะครับพยับแดดอย่พยับแดดก็ไม่มีไม่มีไม่มีไหวยิบยาวไปเฉยแต่พอไปดูใกล้ๆไม่มีอะไรครับอันนี้นึกนึกถึงตอนอย่างถอนฟันคนไข้เนี่ยครับอโอ้ยตอนก่อนถอนก็สมมติเจ็บปวดโอ้ยเขาเจ็บเขาปวดดินดินพอถอนออกมาอ่าวางที่ถาดเนี่ยอ่ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไอความเจ็บปวดมันหายไปเอเอ๊ะทาไมเป็นอย่างนั้นอย่างดูเรื่องความเจ็บฮะความเจ็บเนี่ย เขาจะมีสารอันหนึ่งที่หลั่งออกมาในร่างกายครับที่จะทําให้ครับให้เราเจ็บใช่ไหมไอสารตัวนี้าแนนดิแล้วพอเราไปดูในตัวมันเฮ้ยมันก็มันก็เป็นเป็นธาตุไอไฮโดรคาร์บอนอย่างหนึ่งบมันก็ไหลไปตามกระบวนการเฉยนะเฮ้ยมันไม่มีแล้วมันทําให้เราเจ็บได้ไงวะมเอมันก็แค่สารนี้หลั่งออกมาแล้วพอเรารู้สึกเจ็บเป็นเรื่องเป็นราวเป็นไอฟ้องร้องอ้าวมันมันทําไมเป็นอย่างนั้นได้นะอืมจริงครับ มันพยับแดดไงพยับแดดพยับแดดพอไปดูใกล้ๆแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะคุณไม่เข้าใจใช่ไหมคุณเห็นไปเรื่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆทาบ่อยๆทํำบ่อยๆเราจะเกิดความเบื่อหน่ายอเราจะปล่อยวางได้ครับเบื่อหน่ายแล้วเราจะคลายกําหนดคลายกําหนดแล้วจะปล่อยวางสิ่งนั้นได้ปล่อยวางความเป็นตัวตนที่อยู่ในตัวของเราได้อืครับต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุด ครับอ <polarization. S 1> ่า <loser. S 1> <sm ira. S 2> ต้งแก้ปัญไาห้ถูกจุดด้วยการที่อ่าเห็นการท้โดยตามเป็นจริงใช่คือเห็นตามที่มันมันคือนเป็นอย่างนั้นของมันจริงๆริงะนะหมอท่นพงศ์มันเป็นของมันอยู่แล้วอ่ะแต่เราไม่เห็นเราเห็นแง่มุมเดียวคือเห็นแต่ความสุขอย่างเดียวเห็นแต่โทษอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยึดถือว่าอันนี้เป็นสุขเป็นจริงเป็นจังนะไปขยายขยายเกลื่อนช้างว่านี้เป็นโทษเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ย อโดยไม่รอบรู้ทั้งหมดทุกด้านครับนะถ้าเราไม่รอบรู้ทั้งหมดทุกด้านแล้วคุณเสร็จมันแน่นอนอืมนะมันยิ่งติดแน่นยิ่งเหนียวจริงครับโมได้ว่าต้องพ อ, พอเราแก้ปัญหาถูกจุดนะเราจะก้าวหน้าในการปฏิบัติได้อเพราะบาง<ต>ทีเราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดจึงทำให้การปฏิบัติของเราลดถอยลงนะดูเหมือนคุณนั่งสมาธิอยู่ทําอยู่ส่วนมนต์อยู่เจริญภาวนาอยู่แต่ทําไมจิตเรามันถอยลงฮะ ก็ถึงว่าคุณแก้ปัญหาถูกจุดเวลาตรงนี้จะสอดคล้องกับคำถามของท่านผู้ฟังบัดีครับครับของค<น>ุณผู้ผผศึกษาปฏิบัติตใช่ใชครับก็คือเรียนถามเรื่องของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันคือท่านก็ได้มีการปฏิบัติมีการมาเข้าคอร์สหรือเรนที่วัดป่าดอนหายโศกแล้วก็อ๋อมาดูเนาะครับแล้วก็กลับมาปฏิบัติแต่ว่าอตอนที่กลับมาอยู่ใช้ชีวิตทางโลกเนี่ย ก็เรียกว่าือก็ยังเกิดเป็นพวกกิเลสอยากเที่ยวอยากซื้อของออแล้วก็พองอโตอง อ, อะไร ต, ตงึ้นใช่ครับอยากเที่ยวทีนี้ท่านก็ถามว่าจะให้ทำยังไงที่จะจะได้ความสันโดษและความสุขสงบกลับมามเช่นเดิ ม, มอันนี้ต้องบอกโดยความเป็นคารวาเนี่ยนะหมอนะพงครารวาเนี่ยคือการมะโภคีคือผู้ที่เสพการมีความสุขจากการกินการซื้อการเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็ธรรมดา ธรรมดาี่คุณจะไปหาความสุขอย่างนั้นในความที่เป็นคารวาสก็ธรรมดาแต่พระเจ้าไม่ได้ห้ามในขณะเดียวกันเกณฑ์ที่เราจะต้องคอยระวังก็คือว่าคุณอย่าไปผิดศีลก็แล้วกันแต่คุณจะไปหาความสุขอย่างนั้นบ้างมันก็ธรรมดาของคารวาสคือไม่ใช่ว่าพระพิบูลสนับสนุนให้เสพกามนะแต่มันเป็นธรรมดาของคารวาสเป็นเช่นนั้นเองที่คุณจะต้องมีความสุขจากกามนี้พระเจ้าก็พูดไปเมื่อกี้ จะไม่พูดคําว่าคารวะไม่พูดคําว่าเครือดับดีไม่พูดคําว่ากรารมัโปรคีแต่คือผู้ที่ยังมีความสุขจากการอยู่ก็ธรรมดานะแต่ว่าคุณอยากให้ผิดศีลแล้วกันนะคุณอยาให้ผิดศีลแล้วกันนะแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณก็สร้างกุศลมรรพิบุญด้วยใช่ไหมมีจาระฆะมีศรัทธามีปัญญ า, ญญาครับมีอะไรพวกนี้สีอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าทําอยู่ในเก่นนั้นก็โอเคนะไม่มีปัญหา ในขณะที่เราพยายามที่จะมีปัญญาเนี่ยไอ้ตรงขณะที่เราพยายามที่มีปัญญาคุณทําถูกจุดไหมเนะี่ยคุณนะพยายามละในสิ่งที่มันไม่เชื่อว่ามันจะละได้เลยหรือเปล่าเนะี่เราก็จะเหนื่อยเปล่าเฉยเราก็จะนั่งไปมันก็ไม่ได้ก้าวหน้ามันก็ยิ่งถ้าเราไม่ได้ทําเพิ่มไม่ได้ให้อ่านใจที่ถูกต้องนะอา่ามันยิ่งไปเสื่อมเจอภาษาที่ไม่แน่ใจมันไหลไปตามอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งเสื่อมลงเสื่อมลงช้า ๆ, ๆไปเรื่อยๆเนะี่จนกระทั่งเริ่มไปเสื่ละอันนี้เราต้องระวังละ อเพราะ น, นั้นต้องแก้ที่ถูกจุดคือขันห้าอย่างเงี้ยอย่างซื้อกินเที่ยวดืม่มนะอะมันก็ธรรมดาแต่เราไม่ใช่ว่าเราไม่ซื้อไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่กินก็ซื้อเถอะกินเถอะเที่ยวเถอะดืมด่มเถอะนะแต่ว่าเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตามที่มันควรจะต้องเป็นอืมโดยกา ร, รอะไรเห็นทั้งโทษของมันใช่ไหมเห็นประโยชน์ของมันเห็นเหตุเกิดของมันด้วยทําไมเราต้องซื้อนะอ๋อมีภาษาให้ทําไมเราต้องกินนะเราหิวนะ เห็นผลของมันออกินแล้วอิ่มนะมีอยู่จะออกมาน ะ, ะเห็นเห็นผลของมันซื้อแล้วเป็นยังไงได้มานะได้แล้ใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยกา ร, รที่จะเห็นมีภาษามีเวทนามีเวทน า, ม, นามีตนานาอย่างเงี้ยแั่นก็ตามกระบวนการที่พระเจ้าบอกเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะเราจะเกิดความนิพิธาอยาบเบื่อร์นายเบอร์นายได้เราก็จ ะ, ะคลายกําหนัดแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้เองสุดท้ายเราก็จะไม่เที่ยวไม่กินไม่ซื้อไม่ดื่มก็คลายความกําหนัดอย่างที่ โลกโลกเขาเป็นกันครับเราก็จะมาพอใจในสิ่งที่เป็นความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับความสำดดความสนุนบงครับเข้าใจเนาะเข้าใจครับเห็นเห็นคำว่าอยากซื้อของเนี่ยนึกถึงอย่าง i p h o n ห้าในตอนเนี้ยโหเห็นผู้คนกันโหแรงมากเลยนะครับทั้งคนคนทั้งโลกเลยครับโหทำไมอะไรกันจะปานนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าเออเราแก้ถูกจุดไหม เราความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้นะหรือบางทีเหตุเราสร้างไม่ถูก่างเมื่อที่เราพอใจในเศนาสนะอสงัดหรือเปล่าเราฟังธรรมอยู่เรื่อยๆไหมถ้าเราทําอยู่ เ, เหตุของการที่ทําให้เห็นลมหายใจได้ต่อเนื่องแล้วก็ปล่อยวางได้ในที่สุดน ะ, ะเช่นว่าคุณเสพเศนาสนะอันสงัดคุณฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆคุณมีความพอใจในบริการอนน้อยอยู่สันโดษพวกนี้ เดีวจะเป็นเหตุที่ทาให้เราเราเราทำได้ดีครับเป็นสิ่งสนับสนุนกันแล้วในเรื่องทางจิตนะคุณทาถูกไ้มนะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของเราเนี่ยไม่ใช่พยายามที่จะปล่อยวางสิ่งนั้นนะแต่ว่าเราเราเห็นโดยความที่ตามที่เป็นจริงหรือเปล่ามีการพิจารณาอยู่เรื่อยๆนะพิจารณาโดยนัยยะทั้งหกเนี่ยนะคือคือตรงสมการที่อาจรมาพูดถึงเนี่ยหกอย่างเนี่ยนะคุณเอาทูกแปอะไรไปใส่ก็ได้ นะเอาการซื้อไปใส่ตรงนี้เอาการ เ, นะ เ, า เ, ท, าเาที่ยวไปใส่ตรงนี้เอาการกินไปใส่ตรงนี้เอาการดื่มไปใส่ตรงนี้เอาเวทนาไปใส่ตรงนี้เอาทุกไปใส่ตรงนี้เอาความขัดเคืองไปใส่ตรงนี้นมันจะมันจะคลายไปได้อืเราต้อง แ, แก้ให้ถูกจุดนะก็คนะือว<ห>่าถ้าเราเราทําอย่างนี้แล้วะเราจะก้าวหน้าได้พอก้าวหน้าได้แล้วเนี่ยจิตเราก็จะยินดีในสิ่งที่ละเอียดนึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเราจะต้องเสียอะไร มีเพื่อนชาวสิงคโปร์มาเราบอกเขถามว่าเอ๊ะทำไมภัยบูญเนี่ยนะเขามาบวชนี่คุณต้องเสียสละสิ่งต่างๆมากมายเลยความสุขทางโลกอะไรต่างๆหัวคุณสละไม่ได้ไงเนี่ยมันมันเป็นการเขาใช้คำว่า sacrifice sacrifice คือเสียสละแบบที่เนี่ว่าคุณต้องเสียคุณต้องเจ็บช้าน้ําใจคุณจะต้องเสียนเสียมันไปมันไม่ใช่อย่างนั้นออืเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้อง sacrifice อะไรเราต้องสละอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือต้องมีความยินดีต่างหาก ถ้าเราปริบัติตามตามถูกระบบเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเราเสียอะไรเราเสียความสุขเสียความสุขทางที่เราใช้โทรศัพท์กินดื่มเที่ยวเราไม่เป็นอย่างนั้นนะอืมโอ้โหเพราะว่าเพราะว่าอะไรมันเกิดนิพพิทายานอ๋อเบอร์ไนคลายกำนัดกาวหมดแล้วมันไม่ติดครับมันวางไว้ได้ถ้าเราปฏิบัติตามแก้ไขถูกจุดนะเราจะมีความยินดีไปเรื่อยเรือยินดียินดียินดี เขามีฉันทาคือที่เป็นมาร์กนะครับฉันทาที่เป็นมาร์กเราก็จะไปลุ่มลาดอย่างเทียไปสู่นิพานตามระบบได้เป็นสุขจากภายในนะครับออันนี้สําคัญนะหมอรังวงํากัญมากครับใช่ครับแล้วมันสูงกว่ามีระดับละเอียดแล้วก็สูงส่งกว่านะครับเอต่อไปเรามาตอบคําถามของคุณปณิทีที่ฟังแล้วมีความคมมากครนะคือคุณปณิทีนี่ต้อจะพูดก็คือว่าแม็กกาหนดบทเพลงชนะได้ เป๊ะๆเลยนะบางทีอาจจะมาพูดไปเนี่ยอาจจะมีที่งงๆคุณปณิทินี้ก็จับได้ดีดีมากเลยนะคือคุณบิณิถามว่าอโซดาบันเนี่ยนะพูดถึงว่ามีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาใช่ไหมคุณสบัติหนึ่งของโซดาบันที่เป็นโซดาปฏิยังขั้สีเนี่ยก็คือความที่มีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่ป้อยแต่เป็นศีลที่เป็นอิสระจากตันหาและไม่ถูกทิฏฐิรูปกล่าเป็นศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญเรียกว่า เบกเเลยเบกเลยอ้าวแล้วทําไมตอนที่เก้าสิบเอ็ดไปบอกว่าโซดาบันนี่ฆ่าสัตว์ได้นะหมายถึงว่าบีมอต์บียุงพวกนี้นะเออครับเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอก็ดีดีมากเลยที่ประเด็นพวกนี้ออกมาเพราะว่าบางทีเราพูดเร็วๆๆไปเนี่ยมันกําหนดบทชี้น้ไม่คมนะพุทิชาวนะก็ต้องขออภัยอต้องปฏิอาทําความเข้าใจก่อนอันดับแรกก่อนคือโซดบันสมมติใครสักคนหนึ่งเป็นโซดาบั่โซดาปฏิผลเลยนะไม่เอามาร์กเอาปฏิผลเลย ได้ละคุณอยู่ในบ้านธรรมดาเสร็จปุ๊บคุณออกไปข้างนอกเห็นมดสามตัวขอบีมันโซดาันไม่เป็นอย่างนั้นนะอืมจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ฆ่าเพราะว่าความสุขเฉยๆไม่เป็นนะคือมันอยู่เฉยๆออมาเน่ะเราไปบีมันนะเรามีความสุขไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไม่ใช่โซดาบัตแน่นอนอืมใช่แต่ในกรณีที่อาตมาพูดถึงนี่คือในกรณีที่จําเป็นจําเป็นจริงๆสมมุติบ้านนี่ปลวกขึ้นเต็มที่ละแหมแล้วมันอออืืมันจําเป็นอ่ะ ถ้าคุณจะทํานะอ่ะคือไม่ได้ทําเป็นเป็น เ, นเนรียกว่าคาตยิไ ส, ไสัย อ, อันนั้นเนี่ย้ บ, บาปกรรมตรงเนี้นไม่ได้พาคุณไปนรกแน่นอนอันนี้สารพันเนี่ยทําได้นะเราไม่ต้องพูดถึงกรณีที่ว่าเผลอสติหรอกเผลอสตินี่ใครๆก็เป็ น, นพระอาารก็เป็นหมายถึงว่าเป็นนี่หมายความว่าคุณเดินเดินไปเนี่ยไปเหยียบหอยตายอย่างเงี้ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้นะออืมคือไม่ได้เผลอไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาปุ่งยิงดีกว่าถูกต้องไม่ได้เผลอสติชนิดที่ว่า อมไม่มีสติไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีสตินอนไม่ใช่อยู่แต่เดินเดินไปมันไปเหยียบหอยตายเองเนี้ยอันนี้เป็นกรรมของมันนะนะอันนี้เป็นได้ทุกคนพระอรันก็เป็น<ม>แต่ว่ากรณีที่ว่าเราตั้งใจที่จะต้องทําด้วยความจําเป็นจริงๆนะอันนี้โซดบันเนี่ยทําได้ในลักษณะที่ว่ากรรมนั้นเนี่ยจะไม่ไปสู่นรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยทีนี้มันจะเข้าข่ายด่างหรือเปล่าทะลุนี่คงไม่ทะลุแน่นอนมันด่างหรือเปล่ามันด่างนะแต่ว่าพี่เจ้าบอกไม่ด่างนะ ไม่ด่างด้วยนะครับใช่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปร้อยด่างก็ไม่ด่างนะครับเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะสีเนี่ยเอาพูดใหม่คือความเป็นปกติปกติครับความเป็นปกติอย่างเนี้ยเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจไม่ร้อนใจคืออาวิปฏสสานความไม่ร้อนใจครับความเป็นปกติ5้าอย่างเนี้ยเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจนะถ้าคุณยังดูว่าเอ้เรายังมีความเป็นปกติ5้าอย่างนี้อยู่ เราไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติไม่ได้ลักทรัพย์อยู่เป็นปกตินะความเป็นปกติตรงเนี้ยเนะจะทําให้เราไม่ร้อนใจนะเราได้เคยพูดถึงตอนนู้นที่อย่างยกตัวอย่างปนานปฏิบาทอย่างเงี้ยเดีสมมติถ้าคุณยังเข้าใจไม่ถูกะคุณเดินไปคุณเหยียบเชื้อโรคตายนะโอ้เดินไปตามดินธรรมดาเนี่ยหรือยอยู่ในบ้านเนี่ยคุณนั่งก็อีคุณนั่งทับเชื้อโรคนะมันตายหรือเปล่าเนี่ยเลยคุณไปห้องน้ำถ่ายไปเจอรับปึงออกมาโอ้อกดชักโคตายตายแน่นอนเลย หรือว่าเอ้าเม็ดเลือดขาวของเราไปกินเม็ดเลือดแดงกินชีโลกโอ้โหมันตายเต็มเลยเนี่ยอืมจริงครับคุณเราจะมีแต่ความร้อนใจร้อนใจร้อนใจร้อนใจเต็มไปหมดเลย<อ>หายใจจะได้ไหมเนี่ยหายใจพวกตัวไรตัวฝุ่นเข้าไปมันเข้าไปมีระบบปอดป้องกันมันตายแน่เลยเนี่ยอืมอ๊ยเราจะอยู่ไม่เป็นสุกนะหมอพะพงครับเราจะมีแต่ความร้อนใจเต็มไปหมดอันนี้คือศีลชนิดที่เรียกว่าความ ค, คุณกังวลตรงเนี้ยนะเพราะคุณมีความคิดว่าคุณทําไม่ปกติใช่ไหม นะเพราะว่าคุณยังเห็นไม่ถูกไง ย, ยังถูกทิฏิรูปคําอยู่ดังนั้ยังถูกทิฏิรูปคํำหมายความว่าคุณยังมี e งมิจฉาทิฏิยังเห็นไม่ถูกต้องว่าสีเนี่ยมันระบบของปารณาณทิบฎนะสัตว์ที่มีปราณเท่านั้นนะทำแล้วอย่าไปกังวลคืออย่างสมมติพวกสัตว์ที่มันไม่มีปราณเนี่ยระดับเนี่ยเราก็คือมันก็ทําแน่นอนมันตายแน่นอนอ่ะเราอย่าให้มันกังวลไงอย่าให้เป็นต้องไปต้องกังวลนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยเกิดมีความไม่กังวล มีความไม่กังวลเกิดขึ้นไม่เป็นที่ร้อนใจอันนั้นก็คือสำเร็จประโยชน์ของศีลความปกติอันนั้นที่คุณทำแล้วเนี่ยทำให้เกิดความไม่ร้อนใจแสดงว่าความปกตินั้นเนี่ยสมบูรณ์อยู่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยคำว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยคือเราดูที่ความไม่ร้อนใจว่าความไม่ร้อนใจของเราเนี่ยมันขาดมันทะลุมันดังมันพร้อยไหม บางที่เราสมมุติถ้าเรามีความจําเป็นจริงๆเลยนะแล้วต้องบีบมหมด3ตัวแล้วมันจะเกิดความกังวลใจอันนั้นความปกติตรงนั้นของคุณด่างละก็ด่างพอยใช่แต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆแล้วเราไม่มีความรับผิดเราปล่อยวางได้นะเพราะเราเห็นตามที่เป็นจริงเรามีที่ติดที่ถูกต้องอันนี้ต้องแก้เรไหนให้ถูกนะไม่ใช่คุณจะไปวางเรื่องที่คุณทำผิดนะแต่เพราะเหตุที่คุณมีความเห็นที่ถูกต้องอย่างเช่นว่าเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าเราเดินไปถ่ายออกมา นะจูลินซีตายเราไม่ร้อนใจเพราะคุณมีความเห็นที่ถูกต้องแต่คุณไม่ร้อนใจตรงนั้นการที่จูลินซีตายนั้นนะก็ก็ไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ทําความร้อนใจศีลของคุณความปกติตรงนั้นก็ยังเป็นความปกติที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่หนังไม่ปล่อยอครับหมอรู้บ่เข้าใจไหมเนี่ยครับหมอรูบ้บ่งเข้าใจว่างไงก็เข้าใจว่าคือตัวความไอ การกระทําอันนั้นเน่ยมันมันไม่ได้ไปทําให้เราร้อนใจใช่ใช่ใช่พูดอย่างนี้ถูกการกระทําอันนั้นที่ไม่ได้ทําให้เราเกิดความร้อนใจขึ้นนะก็ยังถือว่าเรายังมีความปกติอยู่ความปกติที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่หนังไม่ปล่อยด้วยนะเพราะฉะนั้นการกระทําันนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณมีทิฏฐิอย่างไรถ้าคุณมีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วการกระทำอันนั้นก็ถือว่าเอ่อเป็นความปกติอย่างหนึ่งเหมือนกันครับ เพราะว่าศีลเนี่ยสอสาลาสารีลลเลือร ล, ลิงเนี่ยลลเป็นภาษาสันสกฤตนะถ้าภาษาบาลีก็สใช้สเสือสเสือ ส, อ ส, สารีลลิงเนี่ยลล<ม>แปลออกมาแล้วเนี่ยคือความเป็นปกติกตความปกติความปกติห้าอย่างนะสามอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นความปกติ5้าอย่างนี้นะคุณทําแล้วเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจแตถ้าคุณไม่ร้อนใจ นะความไม่ร้อนใจตรงนี้ไม่ขาดไม่ทรลุไม่ดังไม่พร้อยความปกติ5อย่างของคุณนี้ก็ถือว่าไม่ขาดไม่ทรลุไม่ดังไม่พร้อยนะความปกติตรงนี้คุณต้องอาศัยศีลอาศัยทิฏฐิด้วยนะไม่ถูกิปัญหาและไม่ถูกทิฏฐิรูปขลํำเช่นว่าเราเข้าใจถูกต้องแล้วว่าค่าการที่จุลิซีตายการที่เชื้อโรคตายเนี่ยเราไม่ควรจะต้องเป็นของบนอย่างเรายังอยู่ในความปกตินี้อยู่การที่เรามีความจําเป็นอย่างในกรณีโซดาบันมีความจําเป็นจริงเนี่ย ไม่ได้ไปศูนย์รถกำเดนเดาร์ชันรปวิสัยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถือว่าความปกตินั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่ปลอยอืธิมาพูดตรงนี้ไม่ได้ชี้พงอะไรก็ลอกนะแต่เราวัดได้นะคุณวัดได้นะว่าคุณทํามันแล้วเนี่ยคุณเตะม้าก็ตามคุณบี้ยุ่งก็ตามเนี่ยคุณมีความสุขไหมคุณมีความสุขจากทําตรงนั้นอ่านี่คุณคุณอย่างด่างละอย่างปลอยละแต่ถ้าเราทําไปด้วยความเป็นปกตินะหรือด้วยความจําเป็นแล้วเราไม่ให้มีความร้อนใจเกิดขึ้น นะไม่ให้มีความกังวลใจเกิดขึ้นอันนี้ก็ชื่อว่าความปกติของคุณนั้นยังสมบูรณ์อยู่ค่นะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่อ ง, อองขอ ง, ของตาบอดคำช า, าำช้างเพิ่มเติมว่าเราต้องคลายความเกิดเกินที่เกิดขึ้นในสิตของเรานะเราถึงจะเห็นตาบอดอื่นๆที่เขาให้ข้อมูลมานะเพื่อความสมบูรณ์ของช้างในจิตของเราได้ถ้าเรย่องบอดอยู่ เรื่องของการเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาที่จะช่วยคลายความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในใจของคุณแล้วเวลาจะคลายความขัดเคืองเนี่ยคุณต้องแก้ปัญหาให้ถูกชุดนะด้วยการไม่ใช่ปล่อยวางปล่อยวางนะแต่เข้าใจปัญหานั้นที่ถูกต้องพอเราเข้าใจปัญหานั้นอย่างถูกต้องแล้วนะเราจะเกิดความเบื่อหน่ายปล่อยวางได้เองได้เองนี่ก็ก็ทําให้มากแล้วกันครับทำให้มากทําให้บ่อยใช่แล้วก็เรื่องของการปล่อยวางที่ท่านกล่าวไปครับใช่แล้วก็ ได้พูดถึงว่าการก้าวหน้าเราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดนี้ต้องซ้ําย้ำๆให้บ่อยๆมากๆทีเดียวแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องความเป็นปกติ5้าอย่างที่เป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจอาศัยทิฏฐิที่ถูกต้องในการที่มีความปกติอันนี้ครับเประเด็ น, น, นวันนี้ก็มีแค่นี้คแก่เวลารั บ, รบแล้ก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคุณหมอรพงครับกลับนัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิพุโนแห่งวัดป่าดอนไหสก จังหวัดอุดรธานีครับนผ่า น, นครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ